สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรซู ต, รตอนที่สามร้อยแปดสิบเอ็ดความร่ํารวยครั้งที่สองเมื่อวานนี้นะครับผมก็จบลงตรงที่ว่าขุนนางซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นคนร่ํารวยเป็นคนเก่งเป็นคนมีสถานภาพในสังคมได้ตอบกับพระเยซูว่าข้อความเหล่านี้หมายถึงคำวันหยัดทั้งสิบประการนี้ คนคนนี้เป็นคนที่ได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆมาครับเป็นความจริงครับบทปกติแล้วเด็กชายชาวยิวทุกคนเมื่ออายุสิบสามปีต้องถือว่ามีความรับผิดชอบในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามธรรมบัญญตัติเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วครับว่าในพระธรรมะโกได้เขียนว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวกับเขาว่าวท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับข้อมีตอนนี้นะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมารโกรบทที่สิบข้อยีสบเอ็ดพระธรรมมารโกรบทที่สิบข้อยีิบอ็ดผมอยากให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึง่งพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวแก่เขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับกลับมาถึงเรื่องเดิมอีกแล้วครับก็คือการที่จะได้รับชีวิตนิรัน์การที่จะมีหลักประกันแห่งชีวิตนิรัน์การจะได้รับความรอดนะครับที่สมบูรณ์แบบนั้นเราจะต้องไปถึงเป้าหมาย ของการตามพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินทองหรือความร่ำรวยที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นอุปสรรคแต่จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกใจ่ายให้คนอนาถานั่นหมายความว่าเราจะต้องเชื่อฟังพระเยซูก่อนครับเราถึงจะเข้าสวรรค์ได้แต่เมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเราทําตามที่พระเยซู เศรษฐีคนนี้หรือคุณนางคนนี้หากทำตามพระเยซูขายบรรดาสิ่งของที่มีอยู่แจกจ่ายแล้วเขาจะมีชับสมบัติในสวรรค์จริงไหมคำตอบก็คือจริงแน่นอนนะครับจากบทเรียนในบทตนก่อนในลู ก, กาบทที่เก้าข้ยี่สิบสามมพูดถึงเรื่องของการเป็นสาวกการตามพระเยซูมาเป็นสาวกจะต้องแบกกางเขนเห็นไหมครับจะต้องปฏิเสธตัวเอง ค่อยคำนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันพระเยซูไม่ได้สอนว่าการจะได้รับความรอดหรือชีวิตนิรันตานั้นต้องกระจัดทรัพย์สินเงินทองให้หมดสิ่งไปเห็ในได้ชัดจากเทศรษฐีหนุ่มคนนี้นะครับความมั่งคั่งของเขานั้นกลายเป็นเครื่องกีดขวางการเป็นสาวกความมั่นมั่งคั่งของเขาความร่ารวยของเขาเงินทองที่เขามีอยู่นั้นกลายเป็นเครื่องจีดขวางการเป็นสาวกของเขาเขามีใจปรารถนาจะติดตามพระเยซู แม้ว่าจะต้องสูญเสียเงินทองทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่สำคัญหมายความว่าเปเยซูโปรงทราบล่วงหน้าครับว่าผู้ชายคนนี้คุณนางคนนี้เจตฐีคนนี้นั้นเขาไปไม่รอดครับไปไม่ไหวไปไม่ถึงที่สุดพี่น้องครับเปเยซูจึงเพ่งดูด้วยความรักความสงสารความเมตตา เขาปรารถนาจะติดตามพระเยซูแม้ว่าจะสูญเสียเงินทองหรือเปล่าไม่ใช่เช่นนั้นครับคำตอบคือเขาไม่ยอมตามพระเยซูถ้าเขาสูญเสียเงินทองทั้งหมดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวัดใจครับวัดใจกันชายคนนั้นจากพระเยซูไปด้วยใบหน้าที่ตื่นตกใจ คำภาษากรีกที่ใช้ในข้อยี่สิบสองครับของลูกาบทที่เก้านี้ถูกใช้ในพันธสัญญาใหม่เพียงสองครั้งเท่านั้นเองว่าช็อก ค, ครับแปลว่าช็อกมีความหมายว่าชายคนนั้นจักพระเยซูไปด้วยการช็อก ค, ครับหรืองงมากเลยนะครับอีกความหมายหนึ่งแปลว่างงมากเลยถูกทาให้งงงวยโดยบางสิ่งบางอย่างก็คืออะไรครับก็คือโอ้จะติดตามพระเยซูฉันต้องให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเหรอเดิม ฉันอาจจะเอาสถานภาพเอาเงินทองเอาชื่อเสียงเอาความร่ารวยฉันมาเป็นที่หนึ่งเขาคงต้องคิดหนักครับเหมือนกับพี่พระเยซูได้เคยสั่งไว้ครับการติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนั่งลงคิดราคาดูก่อนนะครับ we have to pay the price หมายความว่าการติดตามพระเยซูนั้นเราจะต้องจ่ายราคาค่างวดบางสิ่งบางอย่างและราคาค่างวดตรงนี้นะครับก็คือการจะต้องให้พระเยซูมาก่อน และสิ่งต่างที่เรามีอยู่นั้นต้องมาทีหลังเียนกับพระเยซูใช้โอกาสการตอบสนองของชายผู้นี้สอนบทเรียนให้กับสาบกบอกว่าคนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากครับนะครับพูดในภาษาสมัยนี้ก็คือว่าคนรวยหรือคนมีสถันเข้าแผ่นดินสวรรค์ยากครับแต่พระเยซูบอกและสอนพวกเขาว่า ก็อุดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูกำลังใช้วิธีการสอนเรว่าการเปรียบเทียบที่เกินความจริงภาษาอังกฤษเชีคกว่าไฮเปอร์โบลี H Y P E R B O L E นะครับไฮเปอร์โบลเป็นการเปรียบเทียบที่เกินความจริง เพื่อที่จะเน้นจุดที่พระองค์ต้องการสอนอูดนั้นเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์ครับเหมือนช้างเนี่ยใหญ่ที่สุดในบ้านเราอูดเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์พระเยซูใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดกับทางออกที่เล็กที่สุดก็คือประตูลูเข็มนะครับพวกสาวกประหลาดใจในคำสัตย์ของพระเยซูก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ พวกเขามีความเชื่อเหมือนคนอื่นๆอีกหลายคนที่ว่าคนมั่งมีมกกักจะเป็นที่ชอบพอของคนทั่วไปคนมั่งมีนั้นใช้เงินทองตัวเองเพื่อที่จะให้คนรักคนนับถือคนให้เกียรติและเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะปกครองคนอื่นควบคุมคนอื่นเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่คนร่ํารวยเขาก็มีสิทธิได้รับความรอดเหมือนกับคนเก็บคนป่วยคนยากจน แต่พวกคนเจ็บคนป่วยคนยากจนนั้นก็มีความลําบากนะครับและหลายๆลาครั้งผิดเดียวคนร่ํารวยก็ตัดสินพวกคนยากจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อ่อนแอนะครับคนที่จะต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาทําบาปอันนี้เป็นความคิดที่ผิดพี่แอชูตรัสว่าฝ่ายมนุษย์นั้นก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่พระเจ้า ทรงกระทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งพระเยซูตอบคําถามพี่ว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ครับพี่น้องครับพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนในทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนจะเป็นคนที่เจ็บป่วยเป็นคนที่ได้โอกาสในสังคมพระเยซูสิ้นประชนเพื่อมนุษย์ทุกคนทุกขนทุ ก, ทกแห่ง จะได้รับการช่วยให้รอดหากเขาเชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องครับเปโตรามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสละพัติดตามพระองค์มาข้าพระองค์จะได้อะไรพี่น้องครับแน่นอนครับได้ชีวิตนิรันด์ยากรอบยอนนั้นและเปโตรได้ทิ้งอาชีพประมงของเขามาติวก็ทิ้งความร่ารวยที่เขาเป็นเคย เคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนทุกคนนั้นดำรงและเดินทางไปกับพระเยซูซึ่งหมายความว่าพวกเขาก็ต้องละทิ้งครอบครัวจากบ้านจากความสุขสบายของเขามาเพื่อที่จะติดตามพระเยซูพี่น้องครับในที่สุดพระเยซูก็ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดได้สละบ้านพี่น้องชายหญิงบุตรภรรยาหรือบิดามารดาหรือไร่นาเพราะเห็นแก่น้ำของเราผู้นั้นจะได้รับผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ มัทธิวมรโกกล่าวว่าได้รับหลายร้อยเท่าครับแทนที่จะได้รับหลายเท่าพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่รับสิ่งใดจากสาวกโดยปราศจากการคืนให้การชดใช้เพิ่มให้ทั้งในโลกนี้และในพนดินสวรรค์อาเมน